ท่านสาธุชนพุทบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงพบกัรดาท่านพุทบริษัทในเรื่องราวของวทุรบัณฑิตวิทุระบันดิตนะวันก่อนมาจบลงตอนที่พนาวิมาลามีความสงสัยที่ท่านพระยาวิรุณนาคราชผู้เป็นพระราชาสวามี <c oughs> ขึ้นไปจำศีลใน เ, เมืองมนุษย์วันอุโมโบสุทธศีลกลับมาแก้วมรีที่พระสอหายไปเจนีทุนถามสำหรับท่านมีธุระท่านปญญาห น, น้ากระไกะบ็บอกว่าฉันถาวายถ้ามีธุระบันดิตไปแล้วน้องหญิงพนานเจนีถามว่าพระองค์ถาวายท่านมีธุระบันดิตเพื่ออะไรพี่เจ้าขา แม่ตอบตอนนี้มันนี้ก็ต่อเลยนะท่านเ ญ, ญานากระราจนี่บอกว่าเพื่อบูชาธรรมของเขาท่านบุนีกล่าวทำไปเราจับใจมากเรามีจิตเรื่มใสยอย่างยิ่งที่ไม่เคยมีในการก่อนจึงได้ถอดแจ้ามมณีถวายไปเมื่อท่านเบญญานาตอบแล้วท่านสงตัดตอไปว่า นี่มีใช่แต่เราพูดเดียวนะหรือว่าไม่ใช่แต่ฉันคนเดียวนะเท่าที่ถาวายของมีค่าไปเนะี่ยเท่าไมร่ว่าทาสะกะเทวาราชคือพระอินทร์ก็ถาวายผ้าทิพสีดอกบวบนะถาวายผ้าทิพสีดอกบวบบวบขีวเนื้อละเอียดถ้ามียาคลุกก็ถาวายดอกไม้ทองคำบริสุทธิ์ แล้วพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าธนันชัยโกรพยะก็ส่วนตัวสมบัติหลายอย่างเพื่อบูชาธรรม <c oughs> ตอนนี้แหละวิธุรบันดิต จ, จะแยกกับตรงนี้ตอนที่มีความดีเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเวลาเทศสาธรรมะตเทศคนฟังไม่อยากถอยคเคยไปเทวทีบางไวินเขาไม่ลงจากธรรมะ ข่าวบันไดธรรมาตไปที่กักสารธรรมาตไปเลิกทุ่มคนฟังไม่ถอยเพราะเรื่องราวคนท่านดีมากสาหรับนางวินมาลาก็เห็นจนนั่งคิดว่าวีทุารบัณฑิตนี่กล่าวทำภยัยเราะมากนะั่งนึกในใจว่าวีทวารบัณฑิตนี่เป็นใคร กล่าวถ้อยคำดีขนาดไหนทำไมท่านน้งสีท่านจับใจมากถึงก็มอบของที่มีค่าเย <c oughs> นรีทูล ถ, ถามว่าวิทุรบัณฑิตกล่าวทำภัยราออย่างไรพระเจ้าค่ะพระญาณน่าจะได้กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงผู้เจริญราชาทั้งสี่ทวีปสะดับธรรมของพระองค์ท่านผู้นี้แล้วก็ลุ่นพอประไทย และก็เพลิดเพลินจนลืมสเสด็จ ก, กลับแ่ล้แค้งของตนถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเสียงพินษศีกันที่ปรมโลมผงช้างให้ตกมันให้เกิดความรักใคร่กันฉะนั้นเธอแสแดงความได้ภายเาะมากพินษศีกันนี่มีพระเจ้าเทนมีสมัยก่อน สมัยนัน้นพระเจ้าเทศมีพินหัศดีกันเมื่อเวลาจะประชุมช้างดีดพินหัศดีกันเข้าจุดหนึง่งเรียกสัตว์ ท, ทั้งป่าช้างทางั้งหมดมาชนวนกันได้ถ้า ต, ต้องการย้ายข้าสึกหนีแล้วสัตว์หนีก็ดีอีกสายหนึ่งพอหินเสียงพินิข้าวคนนั้นก็วิ่งนันเ้าไม่เหลียวหลงังนี่พินหัศดีกันเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ทราบว่าใครสร้างนีงน้ือนกัน เพระนั้นว่าเมื่อพระ น, นางได้สนดับแล้วก็ทรงมีพระประสงค์จะสนดับธรรมของวิฑูรบัฑิตบ้างแต่ท่านจะบอกตรงๆก็เกรงว่าพระราพัชพญาณ น, น่าจะไม่อนุญาตจะเนื้อหาหม่ายความจริงผู้หญิงนี่มีเรื่องมากจริงๆนะลีลาของผู้หญิงนี่เยอะแต่จะหาว่าผู้หญิงไม่ดีนันก็ไม่ได้ดีก็มีปัญญา <c oughs> ยังได้ทำอบายเป็นไข้ตอนนี้นอนเป็นไข้โอ้ยน่าสงสารเรีกว่าไข้อะไรไข้มายาแร้วว่าไข้อุบายทำเป็นไข้ถึงเวลเอ่อเมื่อถึงเวลาเฝ้าก็ไม่ยอมฟันเด็กขเข้าเฝ้าตามปกติพยาหน้าจะด้ถามเราสาสาว ส, สนมว่าพระนางวิมารลาไปไหน บรรดาสาวสนมทั้งหลายก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จทรงไปชวนพระเจ้าค่ะพญานาได้สนับดังนั้นเจ้งได้สนด็จลุกจากตำหนักของพระักของพระองค์ไปสู่ตำหนักของนาวิมาลา่าทับข้างๆบัท่านแลก็ตรัสถามว่าเจ้าสู้ผอมน่วงรยไปมากเจ้าไปชวนเป็นโรคอะไรหรือ พนาวิมนาบมิมาลาได้โอกาสจึงกล่าวทูลว่าพราะองค์พูดจอมน่าคาราดธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้แม้แต่หม่อมฉันก็อยากได้เหมือนกันเพียงไว้นิดหนึง่งพญาน้ากระถามว่าอยากได้อะไรน้องหญิงถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของพี่พี่จะหาให้ ก็นายเจต่อว่าหม่อมฉันอยากได้หัวใจของวิธุระบัณฑิตพระเจ้าค่ะเฮ้ยเอาเข้าแล้วสิเอาเข้าแล้วตอนนี้ชักยุ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดนํามาให้หม่อมฉันด้วยโดยที่ไม่ทําให้วิทุระบัณฑิตได้รับอันตรายแต่อย่างใดแน่ต้องการจะเอาหัวใจของเขาให้พระราชานํามา และก็ต้องนำมาแบบที่วิทุระบันดิตไม่มีอันตรายถ้ามอมฉันไม่ได้หัวใจของวิทุระบันดิตก็อย่งียต้องตายคราวนี้แน่เลยพระเจ้าค่ะพร ะ, พ ร, ะาพาาราชาพญานาคราชจึได้ตัดว่านิมมาลานิมาลานี่เจ้าปราถนาเช่นนั้นชือ มีธุระบัณฑิตนะเป็นที่รักของคนทั้งจุลภูทวีปมีคนมีทักรักษาเป็นอย่างมากใช่ไหมมีคนมีทักรักษาป้องกันอันตรายตั้งเยอะกวดกขันกันเป็นอย่างดีจะมีใครไปนํำมามันได้พญาหนากราชพูดอย่างนี้ก็วุ่นวายไทยฟังฟังแล้วก็วุ่นวายไประไทยเ อ, อเรื่กว่ามันเป็นอย่างไงกันอยู่อยู่ก็อยากจะได้หวัวใจวิธุระบัณฑิต ที่เป็นของยากที่เราจะหาให้ได้มันจะเป็นการเกินความสามารถไปท่านดำพึงในใจก็แปลว่าพานางก็บอกว่าถ้ากระ น, นั้นมอมฉันถ้าไม่ได้หัวใจวิโทระบดิกคำนี้ก็อย่งต้องตายแน่พานางทุนแบบนี้แล้วก็เบรนหันหลังให้ยกผ้าสมัยปิดหน้านอนนิ่งไม่ยอมพูด ตอนนี้พญ า, านาคก่อนหน้าคงจะสงสารเมีย น, นี่นะเป็นธรมธรมดาธรรมดาเพราะตามปกติเธอเนะ่เป็นคนดีมากแต่าว่าพอมาถูกท่านนี้เขา้ามาใสยความดีที่เธอมีมาก่อนก็ทำให้พระราชาคือพญ า, านาคมีใจอ่อนสงสารเมีย ท่นานเบญากรา a r a จึงได้เสด็จออกจากห้องด้วยพระไทยกวนกวายทรงประทับอยู่เหนือท่านพระท่านพระท่านบันทรทมแล้วก็ดมริว่าว่นนางจะเอาหัวใจวิธุระบัณฑิตถ้าไม่ได้นางจะต้องตายนี่เราจะทำแบบไหนทำไมจะได้มานอนกลุ่มเลยป่วยไปอีกอง เป็นนั้นว่าสององค์นี้ป่วยลักษณะเดียวกันเ <c oughs> อการป่วยไม่ป่วยทางร่างกายเป็นการป่วยทางใจใจป่วยได้ว่าวัณาวิมาราป่วยเพราะอยากได้หัวใจวิทุรันดีขึ้น อ, อยากจะพบวิทรรันดิตันเองแต่ว่าถ้าไม่ได้จะยอมตายสำหรับธรรมญาณการาช ก็ต้องป่วยเพื่อการกลุ่มใจหมดปัญญาที่จะนำมิธุระบันดิตมาได้ต่อมาตอนนี้เขากล่าวถึงลูกสาวและลูกสาวขมยาน่ากระาชกับพระนางวิมารลามีนามว่านางอริธันตี <c oughs> นาริทันตีนี่เป็นพิธยาเป็นิดาขมยานาคราชเห็นอาการของพระราชาวินดาเต็มไม่ได้ความมิตกกังวลแต่รู้สึกว่ามีความ ก, งกังวลกวายพระไทยเช่นนั้นยิงกราบทูนถามว่าถ้าแต่สมเด็จพ่อพระพักของพระองค์เป็นเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำจนช้ำเขียวทรงบริวิตกเรื่องสิ่งใดหรือพร ะ, พระเจ้าค่ะ พระยาณ agara จึได้ตัดว่านี่ลูกอริทันตีแม่ของเจ้าน่ะเขามีความปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เขาจะตายพ่อก็ห น, น่อนกลุ่มกลุ่มไม่รู้จะทำยังไงลูสวาวก็ถามว่าพระเจ้าแม่ต้องการอะไรพระเจ้าค่ะ แต่งก็บอกว่าแม่ของเจ้าเนี่ยเขาอยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตดูที่ถ้าเป็นของอื่นเขาหาให้ได้ <c oughs> แต่เรื่องต้องการหัวใจคนนี้มันเอากันยังไงลูกใจมันเป็นนามธรรมาใจไม่เช่นเนื้อที่เราเรียกก้อนหัวใจน่มันเป็นวัตถุไม่ใช่อารมณ์คิด มันมีกิจทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงร่างกายแต่ว่านี่แม่เขาต้องการหัวใจเขาวิทุรบัณฑิตซึ่งเป็นที่รักก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทุรบัณฑิตนี้เป็นที่รักของบรรดามนุษย์ทั้งชมพโพเทวีดและเขาว่ายื่นเงื่อนไขว่าต้องเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตมาได้โดยที่วิทุรบัณฑิตไม่มีอันตราย <c oughs> ให้ลูกฟังแม่เขาพูดดิเขาต้องการอย่างนี้พ่อกดนอนตีขน่งทั้งนี้พ่ออะไรเพราะพ่ อ, พ อ, พอหมดแรงหมดปัญญาล้วเขายืนยันว่าถ้าว่าไม่ได้หัวใจวิทุรบันดิเขาจะต้องตายพ่อกำลังจนปัญญาจริงๆลูกเจ้าควรใายช่วยชีวิตมันดาคงจะไว้เมื่อแต่แร้ท่านกระสิบ ว่าเจ้าควรจะหาพัสนาสักคนหนึ่งเจ้สามีนะให้ลูกหาผัวเลือกเอาที่เก่งกล้าสามารถซึ่งจะแปลหัวใจเขาไม่ทรเบัณฑิตมาให้เราได้เจ้าจะทำได้ไห ม, มนี่ความจริงมีลูกผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกันถ้ามันจนปัญญาจริงๆก็หาลูกผู้หญิงใช้ให้เป็นประโยชน์ เออก็ว่าใครว่าผู้หญิงไม่ดีก็ไม่ได้นะผู้หญิงน่าเป็นมารดาของโลกแม้จะว่าผู้ชายไม่ดีก็ไม่ได้เพราะผู้ชายก็เป็นบิดาของโลกโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้หญิงก็ไม่มีความงอกงามถ้าโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้ชายก็ไม่มีอะไรต่อ เป็นนั้นว่าโลกนี้ต้องมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ต้องมีทั้งผู้ชายถ้ <c oughs> าจะถามว่าผู้หญิงผู้กับผู้ชายใครดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าต่างคนต่างดีตัางนี้เพระอะไหครับว่าท่านจะถามว่าแผ่นดินกับแม่น้ําอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเรามีแต่แผ่นดินไม่มีน้ําแล้วก็อดแท้งตาย ถ้าเรามีแต่น้ำเราไม่มีพื้นดินก็เราก็ไม่มีที่อาศัยเพป็นนั้นว่าดินกับน้ำต่างคนต่างมีค่าต่างกันฉะนั้นผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกันก็มีค่าต่างกันจะว่าใครดีกว่ากันมันก็ไม่ถูกแต่ผู้ชายผู้ชายเคยกดผู้หญิงไว้ว่าผู้หญิงมีความสามารถไม่เท่าผู้ชาย แต่ ว, ว่าความสามารถของผู้หญิงที่เหนือผู้ชายผู้ชายไม่ได้คิดอ้าเรื่องนี้ทิ้งไปเวลานี้ผู้หญิงเป็นพระราชาก็เยอะผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เยอะแล้วก็เก่งด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าต่างคนต่างดีเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อพระราชาก ร, กระซิบกระลักเจ้าจงมีสา ม, มีที่มีความเก่งกล้าสามารถ แล้วพระามาาถไปเอาวิธุระบันดิตมันได้อันนี้เจ้าจะยอมเป็นพัญญาเขาจะตกลงไหมเป็นนั้นว่านาง อ, อริธันตีนางสาวนะทราบดังนนั้นแล้วก็ตัดสินใจ <c oughs> รอพระราชาบินดาพระมารดาให้คลายกังวลตกลงใจจะหาสามี แม้ไปหาที่ไหนก็ไม่สาราบโอเอา้าตามใจจึงได้จัดแจงแต่งองค์อย่างงามพริ้งรอดสสวยสดงงามเป็นพิเศษแวกว่าน้ำออกจากหน้ากบิภพเหาะตรงไปยังโขเขาเป็นภูเขาที่มีสีเขียวดยูจะเมฆที่ตั้งทรมันอยู่ใกล้ฝั่งมหาสมุทรในปลายเมื่อวัน แล้วก็เที่ยวเก็บดอกไม้มาประดับวกเขาอย่างสวยงามแล้วก็รแล้วก็ฟ้อนรําขับร้องอย่างไพเราะเป็นใจความว่านั <c oughs> ่นไงตอนนี้ที่ไปเทศ่ยวคนหาคือร้องแหลกเขาไม่เป็นไปหนึ่งก็ร้องแหลกมาแล้วก็ร้องไปร้องไปก็ร้องมันส่งคนหากลิ้งที่หากลิ้งไม่ใช่สนุกเพราะอะไรเพราะร้องไม่เป็น ร้องไม่เข้าท่าเข้าทางก็เลยหาป่าใจความว่าคนทันก็ดีหน้าก็ดีคุดก็ดีมนุษย์ก็ดีกินนอนก็ดีคนไหนก็ตามทีถท่าสามารถนำอาวัวใจเขวิทุรบันดิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นพัญญาของคนนั้น แกก็ร้องเร่งก็ไปตามย ว, วจะโคนในขณะนั้นนั่นเองท่านปุณณกยักษ์หลานของท่านท้าเวสุวรรณมหาราชขับม้าผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเข้าก็มีความรู้สึกใครก็เสียงเพลงนั้นเฉือนตัดผิวหนังเข้าไปถึงเยื่อในกระดู ก็ว่าทั้งสองท่านนี้เคยเป็นสามีพันยากันมนในชาติก่อนที่เรียกว่าปุเพสนิวาส <c oughs> นี่ในเรื่องปุเพสนิวาสเป็นอย่างนี้เพียงได้ยินเสียงเพียงได้ยินชื่อก็เกิดความรักมันหนีกันไม่ได้ยิ่งในชักบ่าเลี้ยวเข้าไปลาาเห็นนายอริทันตีก็เกิดความปฏิพัติรักใคร่ขึ้นมาทันที แม่นาฤทันตีก็เกิดความรักเหมือนกันนี่อุปเทสนิวาสนะว่าห้ามเขาไม่ได้แย่ <c oughs> ว่าสำนักไหนที่สอนเป็กรรมฐ า, านแล้วก็ห้ามลงศีรษะแต่งงานเนะี่ยมันไม่ควรพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามถ้าเขาเป็นคู่ครองกันมันหนีกันไม่พ้นยิงได้ช่วยข้อมือนนะเอาละสิเนี้ก่อนนาฤทันตีก็เกิดความรักทันทีเหมือนกัน จิงได้จับข้อมือปุณณกยักษ์พาไปเฝ้าพระราชบิดาท่านปุณณกยักษ์จึงได้ถามทูลถามพระยานน่ากว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์มีนามชื่อว่าปุณณกยักษ์บัดนี้ปราถนาจ ะ, นจะเป็นข้าใต้ฝ่าพระองค์พระองค์ทุดีระบาด คือปรารถนาจะได้เจ้าหญิงอริทันตีเป็นคู่สมรสทำาว่ยักษ์ในที่นี้นะบรรดาท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ายักษ์มีเขี้ยวอย่างโขนเอที่ท่านบูนี้เรียกว่ายักษ์ยักษขนี่ก็แปลว่าผู้บุคคลคนบูชาเป็นเทวดาเช่นจาตุมหร a r a s h t จาตุมรา a นาฬราช้งสี่นี่มีสี่องค์ คืเท่าทศรถท่าวิรุณหกท่าวิรุณปกากท้าโกเวนหรือว่าที่เรียกหรือว่าเทเวสวรนอันนี้ถ้ามาราชมีจริงแต่หากเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันมาในหลายที่วันนี้องค์สมเด็จพระมห า, มาวันีทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทธญาณวันหลังที่ตาบุษสะภนิกะอาเข้าตูก้อนเข้าตูผงมาสวายถาวาย ก็ปรากฏว่าเวลานั้นบ่ายขององค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสัญดาหายไปท้ามาราทั้งสี่จึงได้นำบาตรมาถวายนี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท้ามหาราชมีแต่ว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายท่านมาถามว่าบางท่านว่าไม่มี <c oughs> ในข้อนี้ก็ไม่ต้องไปยืนยันอะไรกับท่าน ท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแต่ว่าวิธีเชื่อในอธิโมกข์ศรัทธาไม่เหมาะสมต้องเชื่อในการค้นคว้าตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเมื่อทำได้แล้วจะเห็นว่าท้าวมหาราชนัานมีจริง อาต่อเรื่องของท่านไปว่ามานาริธตีเขาต้องการพนาริธตีเป็นคู่สมรสขอพระองค์จงทรงรับสินสอดแน่มีค่าสินสอดในค่าสินสอดนี้คงจะมีมานานค่าสินสอดคือช้างมารถย่างหน่ร้อยเกวียนที่เต็มไม่ได้แก้วมันีเล่มหนึ่งรอยโอ้โห กวนบบนี้เต็มไม่ได้แก้วมันีร้อยเล่มมันแน่ไมน้นเอามาที่วัดท่าสู ง, ง, งก็เหมาะแล้วก็ไปทานเจ้าหญิงอริทันตีแก่ข้าพระองค์อริทันประทานอมรท่าสูงไม่ใช่นาริทันตีนะกวนเจ้ามั น, นีสินตเป็นนั้นว่าพระยาหน้นนาจึงได้ทรงดัดว่าดูก่อนปุณณกยักษ์จงรอไว้สักเดี๋ยวก่อน เราจะภาษาหาหรือกับญาติมิตรเพื่อนสนิทดูก่อนเพราะว่าประเพณีที่ดีจะต้องรับความเห็นชอบจากคนส่วนมากสิ่งใดที่คนส่วนมากไม่เห็นชอบด้วยถ้าทำลงไปอาจจะไม่รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สาเร็จซึ่งจะเป็นการเดือดร้อนและเป็นผลร้ายต่อภายหลัง เมื่อบาณนาจัดอย่างนี้แล้วจึงได้สเสด็จเข้าห้องพ น, นางวิมาลาแล้วก็ทรงปรึกษาว่าแม่วิมาลามีชายผู้หนึ่งเขามีนามว่าปุณนนกยักษ์มาขอเจ้าอริทันตีลูกของเราและมาขอกับเราแล้วก็เสนอสินสอดมากมายเราอยากใจลกยกลูกสาวให้เขาหรือไม่ ว่าเราควรจะยกดูสายเขาหรือไม่อนาวิมาลายโกทุนว่าสินสอดจะมีค่าสัตว์เท่าใดก็ไม่มีความสําคัญถ้าปุณณกยักษ์สามารถเอาหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้มอมฉันได้จึงจะควรยอมยกให้เพราะว่ามอมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์สินใดใดยิ่งไปกว่าหัวใจของวิทูรบัณฑิตพระเจ้าค่ะ ยุ่งแบบใช้ยักษ์ก็ยักษ์ก็คือเทวดาสําหรับพญานะ้าจึงได้เสด็จออกมาหาบุนนกยักษ์แล้วจึงไดต้ตัดว่านี่บุญ น, นกยักษ์ฉันไปเรึกษาแล้วนะําแม่เขาจะเอาอย่างนี้ก็แม่เขายินดีที่จะยกเจ้าริทันตีให้ฉันก็ไม่อยากจะขัดใจแม่เขา ก็ขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยแม่เขาลิงมามากกว่าพ่อพ่อมีภารากิจภายนอกแม่เขาต้องอุ้มท้องมาตั้งประคบระขมมาตั้งประคบระขมมาตั้งแต่อยู่ในครันเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่หน้าที่ของแม่ทุกวันจะต้องทนุบำรุงลูกฉันน่าเป็นพ่อก็จริงแหละแต่ถ้าว่าการประคบระขมลูกมีน้อยเวลามีน้อย ดันั้นภาระใหญ่จริงๆที่มีความต้องการอันใดที่ต้องการลูกสาวของเขาไปแม่เขาต้องการยังไงก็ต้องตามใจแม่เขาเพะว่าแม่เขาเป็นคนเลี้ยงนี่เอาอยางนี้ก็แล้วกันนะเป็นนนแล้แม่เขาก็ดีฉันก็ดีมีความยินดีที่จะยกเจ้าอาริทันตีให้แต่ได้ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าท่านสามารถจะนำหัวใจของวิธุรัณฑิตมาให้เรา แต่ว่าการนำมานั้นท่านวิทูรบัณฑดิตจะต้องไม่มีอันตรายเพราะเราไม่ปรารถนาทรัพย์สินใดใดทั้งหมดนอกจากหัวใจของวิทูรบัณฑดิตนี่แอบไปใช้คนโง่คนนี้นะแต่วิทูรบัณฑดิตทีก่ก็แย่เป็นนั้นว่ายักษ์ก็ถามปุรน a ยักษ์ถามว่าถ้านวิทูลบัณฑดิตนะี่คือใครและก็อยู่ที่ไหน ถ้าพุทธเจ้าจะพบได้ยังไงท่านพนาากต็ตอบว่าท่านมีทูมวฑิตเนี่นะเ ป, นาาเป็นมหาราเป็นมหาราชครูอยู่ในสำนักขะเจา้าธนันชยัยโกรพยะในเมืองมนุษย์หาท่านจะต้องการพบต้องไปพบที่นั่นเำมรับท่านปุณณนะกยักษ์ได้ฟังแล้วจึงได้เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่มาสินทบตรงไปยังสนักของท้าเวสุวรรณทันทีเพื่อขออนิญาตนะต้องไปขออนุญาตเจ้านายก่อนแต่ขณะนั้นปรากฏว่าท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งเทวดาด้านทิศเหนือกำลังตัดสิกนกรณีการแย่งมีมันกันระหว่างยักษ์สองตนเทวดาสององค์ <c oughs> ท่านบุญระยักษ์ ฟังดูรู้ว่าใครจะชนะจิงเข้าไปยืนข้างนั้นพอตัดสินให้ฝ่ายชนะเข้าอยู่ในวิมานนั้นได้ด้วยคำว่าเจ้าจงไปอ๋ อ, อนี่แกหากินแบบนี้รู้ว่าคนไหนชนะเมื่อเขาชนะแล้วท่านท้าเวสวรรก็บอกว่าเจ้าจงไปอีตาภุณณะยักษ์นี่แกก็ย่องไปยืนข้างๆกับคนที่ชนะ ได้รู้ว่าใครอยู่นะพาอพ่าเจ้าจงไปแกถือเหตุนี้แล้วก็ไปเลยไม่ต้องลานี่เป็น น, นว่าเป็นการหากินแบบพิเศษของแกเนะี่ยอุนนะ ก, ก็ยากินในทีข้าาว่าได้รัังเอาคำนั้นว่าเจ้าจงไปเนี่ยแหละเป็นการได้รับการอนุญาตให้ไปด้วยนี่หากินดีเหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าวิธโีโกงแบบนี้ไม่ได้มีแต่เมืองมนุษย์เมื่อ เมื่อได้โอกาสจึงไรีบขึ้นหลังมา้าเหาะไปทันทีพรางก็คิดใค่ครวญอยู่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรดีรยิ่งจะได้วิธุรบัณฑิตนี้มาเป็นดวงมณีของพระเจ้าโกรพยะและขอเอังเพระเพราะว่าจะทํำยังไงดีนะวิธุรบัณฑิตนี้ความจริงเป็นดวงมณีเป็นดวงแก้วของพระเจ้าโกรพยะและคนทั้งชมพูตวีป แต่ว่าพระเจ้าโกรพยพโปรดปรานมากเราท้าพนันเราจะต้องท้าพนันการเล่นสกาดกันเราชนะแล้วถ้าเราชนะเราจะจับอวิธุรบัณฑิตก็คงจะได้เราจะต้องหาวิธีท้าพนันเล่นสกาดกันเสียก่อนตามธรรมดาพระเจ้าบันดินย่อมปราถนาแก้วมณีของพระเจาของพระเจ้าจักรพรรด เราจะไปเอาแก้วมณีนี้มันล่อคงจะสำเร็จเพราะแก้วมณี น, นี้อยู่มีอยู่ในที่ของเราแม้มันไม่จบอฏิญาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าไม่จบฉะนั้นจะไปเอาแก้วมณีมาเนี่ยมั น, นไปเอาไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าเวลามันหมดพอดีสําหรั บ, บวันนี้ก็ขอ ง, งดไว้ก่อนยังไม่ให้ปุณณกระยักไปเอาแก้วมณีนน เมื่อเวลาหมดก็ต้องขอุติวาตเพียงเท่านี้วันนี้ขอลาก่อนวันต่อไปวันหน้าพบ ก, กันใหม่ขอความสุขสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเด บ, บั ร, รดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี